ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเกิดเป็นเส้นเลือดในสมองแตกและหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกในสมองในร่างกายซีกซ้ายพอไปสแกนสมองก็พบ ว, ว่าสมองซีกขวานี มีบางส่วนที่เรียกว่าตายไปเลยเพราะว่าเลือดไม่เป็นเลี้ยงอีนหนึ่งจากเขาก็มีอาการไม่มีความรู้สึกในร่างกายสิกสายนี้หมอก็พยายามที่จะ ทดสอบหรือพยายามที่จะเยียวยาก็มีการประกาศแ้วก็ต้องทดสอบความรู้สึกของเขาก่อนว่ามีความรับรู้แค่ไหนก็พยายามที่จะเอาอะไรต่ออะไรมาสัมผัสที่ร่างกายซีกซ้าย รวมทั้งแขนซ้ายด้วยคนไข้ก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเสร็จแล้วก็ระหว่างที่พักเนี่ยเหมาก็สังเกตเห็นคนไข้คนนี้นี่เขาเอามือขวาเนี่ยเอาแขนขวาเนี่ยมือขวาจะไปลูบมือไปลูบแขนซ้ายหมาก็แปลกใจ ก็ทําี้อยู่หลายครั้งตอหลังหมอก็เลยไปถามว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นเพราะว่าหมอก็รู้ว่าเนี่ยหมอคิดว่ารูปไปกไม็มีประโยชน์หรอกเพราะาแขนซ้ายนี่มันไม่รับรู้อะไรแล้วจาคนไข้ตอนนี้เขาก็หมอก็แปลกใจหมอบอกว่าคนไข้บอกว่าเวลา มือขวารู้มือซ้ายเนี่ยให้มือซ้ายแขนซ้ายเนี่ยมันรับรู้ได้รับรู้ถึงสัมผัสของมือขวาอันนี้หมอก็แปลกใจเพราะเออเอาอะไรอะไรมาสัมผัสแขนซ้ายเขาก็ไม่รับรู้อะไรไแต่ทําไม อเอามือขวาของตัวเองนี่ไปสัมผัสรับรู้ได้อันนี้มาแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันมากระหว่างนะมือซ้ายกับมือขวาหรือแขนซ้ายกับแขนขวามันก็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันได้นะอันนี้มันก็ไป ทำให้เขานึกไปถึงปฏิกิริยาของคนหรือว่าภู้บัญญาดั้งเดิมเวลาอย่างเช่นเวลามือซ้ายนี่เกิดไปไปสัมผัสอะไรขึ้นมาที่เป็นแผลหรือว่าอย่างเช่นโดนตะปูตีเนี่ยเวลาโดนคอนทุกเนี่ย เวลาตีตะปูแล้วคอมันก็ไปถูกนิ้วซ้ายมือซ้ายนี่ปฏิกิริยาแรกของคนเราก็คือมือขวาก็จะรีบไปกลุ่มมือซ้ายเอาไว้รือไม้มือขวาก็จะรีบไปกลุ่มนิ้วซ้ายที่กำลังได้รับความเจ็บปวดมันไม่ใช่เป็นแค่รีเฟล็กธรรมดา แต่เขาพบ ว, ว่าพอทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยความปวดมันทุเลาลงอันนี้เข า, าก็ทดลองก็ทดลองกับมานานแล้วพบ ว, ว่าถ้าเกิดมือซ้ายนี่ปวดแล้วก็มือขวามไม่ไปทําอะไรกับมือซ้ายเนี่ยความปวดจะรู้สึกมากขึ้นแต่ทันทีที่มือขวานี้ไปไปกลุ่มไปสัมผัสมือซ้ายไว้หรือกลับกันนะมือมือขวาปวดมือซ้ายก็ ทำตามอัตโน ม, มัติไปกลุ่มไว้เนี่ยมันจะช่วยลดความปวดได้แล้วมันก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเรื่องมือซ้ายมือขวานี้ท่านท่านติดนัดฮานก็อธิบายไว้ดีเป็นมันก็เป็นคติสอนธรรมแล้วบอกว่า ยเช่นนี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยมือพอมือซ้ายมีได้รับความเจ็บปวดขึ้นมาอย่างฉับพลันมือขวาก็จะรีบไปช่วยเหลือมือซ้ายทันทีโดยที่ไม่ถามว่าทําแล้วตัวเองจะได้อะไรหรือไม่ถามว่า้มือซ้ายเป็นใครจะรีบไปช่วยทันทีเลย ไสัมผัสไปกลุ่มเอาไว้หรือว่าการช่วยนี่เป็นการช่วยแบบเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไข ค, คือไม่ไม่สนใจว่าทำแล้วจะได้อะไรไม่สนใจว่ามือซ้ายเป็นใครหรือว่าไม่มีความ รังเกียังงอนว่าเวลาทำอะไรก็มีแต่มือขวาที่ถูกใช้งานแต่มือซ้ายไม่ได้ทำอะไรเลยมือขวาก็ไม่เกิดความรู้สึกลังเกียจว่าโอ้ยฉันถูกเอาเปรียบ็นพอมือซ้ายเกิดเจ็บเกิดปวดขึ้นมาฉันไม่สนใจแล้ว ไม่มีอย่างนั้นมือขวาไม่ไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออิจฉาว่าฉันทำงานหนักกว่าเธอเพราะฉะนั้นฉันไม่สนใจแล้วเธอเจ็บก็เจ็บไปไม่มือขวาก็รีบเข้าไปช่วยทันทีมือซ้ายก็เหมือนกันมือซ้ายก็ เวลาเห็นมือขวาปวดมือซ้ายกไ็ไม่ได้คิดตั้งแง่ว่าเจ้านายรักมือขวามากกว่ามือซ้ายเจ้านายมีอะไรก็ใช้แต่มือขวาไม่สนใจมือซ้ายแถมยังทำให้แถมยังใช้ฉันในทางที่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามเวลาจะล้างก้นก็ใช้แต่มือซ้ายไม่เคยใช้มือขวามือซ้ายก็ไม่คิดแบบนั้น ไม่ไดคิดแบบนั้นเวลาจะไปเวลาเห็นมือขวาปวดก็เข้าไปช่วยทันทีอันนี้ท่านก็เปรียบเทียบไปเห็นถึงความสัมพันธ์ของมือซ้ายมือขวาเพื่อที่จะย้อไปถึงความความเมตตากรุณาที่มนุษย์เราควรจะมีต่อกันควรเราควรจะปฏิบัติต่อกันเหมือนกับมือขวากับมือซ้ายหรือมือซ้ายกับมือขวาก็คือการ เข้าไปช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการตั้งข้อลังเกียจหรืออะไรทั้งสิ้นซึ่งถ้าหมอยหดีมัก็เป็นความสัมพันธ์แบบไม่มีไม่มีตัวกูของกูนั่นเองมือซ้ายมือขวานี่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นว่าฉันจะได้อะไรและเธอเป็นใครถ้าคิดแบบนี้มันก็ก็คืออากาศของตัวกูของกูแบบหนึ่ง หรือว่ากูจะได้อะไรถ้าไปช่วยหรือว่ามีความสึกแบ่งเขาแบ่งเราไอ้แบ่งเขาแบ่งเรานี่มันเกิดมันก็เริ่มต้นมาจากมีตัวกูก่อนคือมีฉันมีกูก็ต้องมีมีเธอหรือมีเขาอันนี้มันเป็นธรรมดาแต่ว่ามือซ้ายกับมือขวามไม่มีความรู้สึกแบบนั้นต่อกัน เป็นการเข้าไปช่วยทันทีามนาุษล์เราความสัมพันธ์ระหว่างกันนี่ ท, นท่านท่านท่านก็สอนให้เห็นว่าไม่ควรจะมีความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราหรือตัวกูของกูอย่างนั้นนะซึ่งเมื่อไม่มีนี่มันก็ทำให้เกิดเมตตากรุณาได้อย่างเต็มที่ เพมตตากรุณาที่นำไปสู่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตาแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขก็เพราะไม่มีความรู้สุดตัวกโกงกูมันก็สัมพันธ์กันนะพอมีตัวกโกงกูแล้วนี่มันก็ความช่วยเหลือก็มีเงื่อนไขแต่ถ้าไม่มีตัวกโกงกูความช่วยเหลือก็เป็นไปได้แห่งเต็มที่หรือมอยง่ายนะีคือว่าการช่วยเหลือจะเป็นไปได้แห่งเต็มที่เพราะ มันไม่มีตัวกูของกูเกิดขึ้นอันนี้นก็ตรงกับที่พระเจ้าตรงกับพระกรุณาคุณของพระเจ้าหรือที่พระเจ้าสอนก็คือว่เมตตาี่ไม่มีประมาณนี้ก็เกิดจากการที่มีปัญญาอย่างสุงที่สุดจนกระทั่งเห็นว่าตัวกูของตัวกูนั้นไม่มีอยู่จริง เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นมายาขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนั้นความความกุณาก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและปัญญากุณนานี่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากเพราะปัญญานี่เป็นตัวที่ทำให้สามารถที่จะลบล้างหรือขจัดมายาภาพเกี่ยวกับตัวกูของกูหรือพูดง่ายคือช่วยลดมันทำให้ลดละหรือขจัด ขจัดตัวกโกงกูที่จริงตัวโกงกูไม่ต้องขจัดมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าอันนี้เราก็พูดแบบให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่ามันละตัวกูของกูเสียก็จะเกิดเมตตากรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีการแบ่งแยกระหว่างลูกกับศัตรูอย่าง พระเจ้าก็แต่ ว, ว่าทรงมีเมตตากับราหุนทรงมีเมตตากับพระเทวทัตเท่าเๆกับพระลาหุนทรงมีเมตามเมตาพระราหุนยังไงก็มีเมตตาเท่ากับพระเทวทัตอย่างนั้นนั่นคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นเมตตาอย่างไม่มีประมาณนะซึ่งมันก็เป็นอุดมคติของชาวพุทธที่ต้อง ถ้ามีความรักความเมตตาอย่างไม่จํากัดแอ้มือขวามือซ้ายนี่ก็เป็นเป็นเป็นอุปมาอุปไมยที่ดีนะแล้ว ก, ก็มีความสัมพันธ์กันที่ลึกซึ้งมาก้คนเรามันก็คงเหมือนกับในบางแง่ก็คงเหมือนกับเพื่อนกับเพื่อนหรือเหมือนกับแม่กับลูก ที่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกของกันและกันได้อย่างเช่นอะไรมาอะไรมาสัมผัสมือซ้ายเนี่ยของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รับรู้เลยแต่พอมือขวามาสัมผัสนี่รับรู้ได้เหมือนกับที่คนที่มีความผูกพันกัน เขาก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความสุขความทุกข์หรือสิ่งที่อยู่ในใจของอีกฝ่ายได้อันนี้มันก็ไม่ใช่เกิดจา ก, กแล้วเกิดจากเมตตากรุณาตัวระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็สามารถที่จะอย่างรับรู้ถึงความทุกข์ถึงความรู้สึกโดยที่คนอื่นอาจจะไม่สามารถยังเข้าไปถึงได้ นี่ก็เป็นเป็นอ่าเป็นผลจากความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันมือขวากับมือซ้ายก็เป็นเช่นนั้นแค่เพียงแค่เข้าไปสัมผัสเท่านั้นเองอก็ทำให้ทุเราเบาบางได้ความปวดกบทุเราเบาบางได้แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่อ่าที่ทำให้คนนี้เห็น ความสำคัญของการสัมผัสเพียงแค่สัมผัสไม่ต้องให้ใครสัมผัสมือขวาสัมผัสมือซ้ายเท่านั้นแหละมือซ้ายก็จะความปวดก็ทุเลาอันนี้ก็เลยเป็นภูมิปัญญาที่มีมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้นักศิกยาก็รับรองว่าเออใช่นะมันมีมันมีมันมีมันเป็นเรื่องจริงนะ ก็ขาทดสอบ ท, ทดลองแล้วทดลองแล้วก็พบว่าถ้าถ้ามือขวาไม่สัมผัสกับมือซ้ายมือซ้ายมันจะปวดปวดก็เดิมแต่พอได้สัมผัสแล้วความปวดก็จะลดลงแต่ น, นี้นี่มันก็คงไม่ใช่เป็นเฉพาะมือขวามือซ้ายของตัวเองนะให้มือของคนถือมาสัมผัสก็ช่วยได้เหมือนกันอันนี้ก็เลยทําให้เขาเห็นเห็นถึงประโยชน์ของการสัมผัส ซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครปร่วยแล้วก็มีอีกคนมาช่วยสัมผัสด้วยเมตตากรุณาก็<ม>าจะช่วยลดบรรเทานะความปวดได้แต่ว่าความความเมตตากรุณาของคนภายนอกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องแสดงออกมาให้เห็นก่อนก่อนที่จะสัมผัส หรือว่าแสดงในระหว่างสัมผัสเช่นความอ่อนโยนความรุ่มรวยสีหน้าน้ำเสียงคนที่เจ็บปวดก็ถึงจะรับรู้ถึงเมตตาแล้วก็ทำให้ความเจ็บปวดทุเลาแต่มือขวานี่ไม่ต้องแสดงไม่ต้องทำอย่างนั้นกับมือซ้ายก็ได้คือไม่ต้องแสดงอาการอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามือกันรู้กันอยู่แล้วมือ มือซ้ายปวดมือขวาไปจับกันผ่นทันทีไม่ต้องทําอะไรมากกว่า น, นั้นมือซ้ายก็สบายมือซ้ายก็ก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วนะรู้กันอยู่แล้วว่ามือซ้ายนีเขามีความปรารถนาดีมันเป็นความเชื่อมโยงที่สัมผัสกันได้อย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี่เดีว่า มือซ้ายไม่รับรู้อะไรเลยแต่พอมือขวาไปสัมผัสมือซ้ายก็เกิดรู้สึกขึ้นมาได้มันเป็นความสัมพันธ์พิเศษซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นกับระหว่างระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้เหมือนกันถ้าคนเราถ้าปฏิบัติต่อกันเหมือนกับมือขวา ม, มือซ้ายนี่ก็ก็เยี่ยมมากอันนี้ก็เป็นที่เราเป็นอุดมภติของเราของมนุษย์ที่ควรัำต่อกันโดยเริ่มต้นจากคนใกล้ชิดก่อน คนกใกล้ชิดคือเพื่อนกับเพื่อนพี่กับน้องสามีกับภรรยาต่อไปก็ขยายไปถึงเพื่อนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันเพื่อนกับเพื่อนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือเพื่อนกับเพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันขยายไปออมไปมีจนกระทั่ง แม้กระทั่งกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนหรือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเพียงเปเพียงแค่เพื่อนมนุษย์ก็จะรู้สึกสัมพันธ์ในลักษณะนั้นได้แน่นอนมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําได้อย่างที่พรุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ได้แสดงเป็นแบบอยา่างอันนี้ก็เป็นอุดมคติของเราแต่แเราก็ตามเนี่ยมัน ถ้าเราไม่ต้องมองไกลออกไปเนี่ยเอาแค่ใกล้ก็พอนะในความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันก็ควรมีกับระหว่างกายกับใจของเราด้วยแาะกายกับใจของเรานี่บางทีมันเหินห่างกันนะไม่ได้ใกล้ชิดกันอย่างมือซ้ายกับมือขวาเท่าไหร่ถ้ากายกับใจเนี่ยใกล้ชิดกันมีความสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมือซ้ายมือขวานี่ คนเราจะทุกน้อยลงมากเลยอย่างที่เรารู้นะมือขวากายกับใจนี่จริงนๆะไม่ได้ช่วยกันเท่าไหร่เช่นเวลาเวลาเวลากายนี่ปวดนะใจก็ไปซ้ำเติมกายก็มีนะล้วก็ทำบ่อยด้วยไปซ้ำเติมกายทำให้กายเนี่ยหนักขึ้นนะ เช่นพอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งใจก็ซึมเศร้าหมดเลี้ยวหมดแรงหรือว่าปรุงแต่งให้หนักขึ้นว่าคว้ย น, นี่ฉันจะต้องตายแล้วหรือเนี่ยนะเกิดความกลัวเกับความกลัวต่างๆนานาหลายกรณีก็ทำให้กายนี่สุดหนักลงหรือว่าตายเร็วเข้าอย่างที่เคยเล่าเนี่ยคุณป้าที่ ไปหาหมอหลายครั้งแล้วหมอก็ไม่รู้เป็นอะไรแล้วหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแกตกใจแกทําใจไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับพี่ตะโกนสำหรับพระแล้วก็อยู่ได้แค่สิบสองวันก็ตายอันนี้ต้องเรียกว่าใจเนี่ยมันไปนซ้ําเติมกายแทนที่จะช่วยกายให้ให้ดีขึ้นคือดันไปทําให้ คือช่วยกันช่วยกันชุดให้ให้ให้ย่ำแย่ลงนะไม่ได้ช่วยกันชุดให้ดีขึ้นนะอันนี้เรียกว่านะใจนี่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นมีกับกายเท่าไหร่หรือบางคนร่างกายก็ปกติดีแต่ว่าใจนี่มันเอาความโกรธความเกืกียความพยาบาทมาสมรุม จิตใจของตัวเสร็จแล้วเป็นยังไงร่างกายก็ป่วยขึ้นมาเลยความดันขึ้นปวดหัวปวดท้องรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะว่าหมอก็สนใจแต่รักษาอาการหรือว่าหาสาเหตุทางกายไม่พบเพราะเนี้ยนี่เรียกว่าใจนี่นะมันก็ไป ซ้ำเติมกายหรือว่าทำร้ายร่างกายที่จริงเนี่ยจิตใจนี่ถ้าเป็นมิตรกับกายเนี่ยมันจะไม่ทันอย่างนั้นพอกายแย่อใจนี่ก็จะช่วยกายขึ้นมาให้กำลังใจหรือว่ารักษาใจให้ปกติเพียงแค่ใจเป็นปกติเนี่ย มันก็ช่วยกายไปได้เยอะแล้วหรือว่าใจที่เป็นสมาธินึกถึงสิ่งที่ดีๆเป็นกุศลก็ช่วยทำให้ความปวดความเจ็บของกายมันทุเลาลงอย่างที่เรารู้กันอันนี้เป็นหน้าที่ของที่ใจนี่ควรมีต่อกายก็คือช่วยช่วยให้ดีขึ้นไม่ใช่ซ้าเติมให้หนักลง มันไม่เป็นอัตโนมัติเหมือนกับมือซ้ายมือขวานนะมือขวามือซ้ายมือขวาเนี่อัตโนมัติจะช่วยกัน ท, ทันทีไม่มีการซ้ําเติมกันแต่ว่ากายกับใจนี่ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนกับกายกับเหมือนกับมือซ้ายมือขวาทีอยู่ด้วยกั น, นช่วยเหลือกันนี่แค่นี้ก็ช่วยได้มากนะกายกับใจถ้าอยู่ด้วยกัน แต่เราก็อย่างที่เรารู้นะคือกายอยู่นี่ใจอยู่โน่นมันไม่ค่อยได้อยู่ใกล้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่ถ้ากายกับใจอยู่ใกล้กันนะแบบมือซ้ายมือขวานี่ก็ให้ความรู้ตัวความตื่นก็เกิดขึ้นพร้อมที่จะช่วยกันไม่ให้อะไรอะไรนี่มาครอบงทาทำลายกัน มือขวาช่วยมือซ้ายมือซ้ายช่วยมือขวาเพาอยู่ใกล้กันแต่ว่ากายกับใจนี่บางทีใจเผลอใจลอยกายก็เดือดร้อนนะขับรถชนบ้างละ่ะอุบัติเหตุบ้างละ่นะเพราะอะไรเพราะใจมันไปคนละทิศคนละทางกับกายนี่เราลองนะลองดูอีกถ้าเราทําให้เพียงแค่คนเราให้ทํำให้ กายกับใจนี่มาผูกสัมพันธ์กันแน่นแฟนนะอย่างมือซ้ายมือขวานี่ให้ความทุกข์มนุษย์เราก็จะลดลงไปเยอะเวลากายทุกข์ใจก็ช่วยและเวลาใจทุกข์นะกายก็ช่วยก็ได้เหมือนกันนะมันก็มีบางครั้งที่ใจนี่แย่ใจนี่ท้อใจนี่แท้แต่ว่าร่างกายนี่ถ้าเกิดว่า เกิดเข้มแข็งขึ้นมาก็ชุ่มกระชวยมันก็ทําให้ใจกระชุ่มกระชวยได้สมัยก่อนนี่ตัวเนี้เป็นประมาณก่อนบัวนี่มันมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าเซ็งเซ็งสุดๆเลยเซ็งมากไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเลยเวลาประชุมแล้วก็ก็ตามนี่ก็จะก็จะง่วงจะนอนอย่างเดียวไม่มีส่วนร่วมอะไรกับเขาเลย ก็พยายามที่จะพักผ่อนทำอะไรหลายอย่างก็ไม่หายตอนหลังนี้ก็ก็ลองใช้วิธีหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความคําแนะนําเพื่อนๆด้วยแล้วเพื่อได้ดูนหนังด้วยได้ดูนหนังบางเรื่องหนึ่งก็เออผมว่า ม, มันต้องสู้ก็ตื่นแต่พยายามตื่นแต่เช้าแล้วก็วิ่งไปออกไปตอกออกกําลังกายจ็อกกิ้ง คือช่วงนั้นมันไม่อยากจะตื่นเลยนะมันจะซึมเศร้าอยู่ตลอดทั้งทีนั้นมีท่าครอบหลงทั้งที่อายุก็ไม่มากยี่สิบสี่ตื่นก็ไม่อยากจะตื่นทํางานก็อยากทํางานแต่พอพยายามเคี่ยวเค้เนตัวให้ตื่นเช้าๆแล้วก็ออกกําลังกายวิ่งจ็อกกิ้ ง, ง, งไปสวนจตุจักรบอกว่ามันดีขึ้นอย่างยังไม่ยังประหลาดเลยรู้สึกดีขึ้นมากเลย คือพอร่างกายมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าไปฉุดใจให้หายปือ่อหายเซ็งที่จริงมัน <c oughs> มันไม่ต้องทำบางทีเราก็ประสบการณชีวิตประจำวันวก็จะสังเกตได้ง่ายๆเวลาเราท้อเราแท้เนี่ยทำงนานมาทั้งวันใจมันเหนื่อยท้อแท้เจอุกระสรคแต่ว่าพอได้นอน ได้ น, นอนเต็มที่นอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะความรู้สึกตอบอุปสรรคความรู้สึกตอบปัญหามันกลับมีเรืองมีแรงขึ้นมาไม่ใช่มีเรืองมีแรงที่กาย ท, ที่ใจอันนี้ว่ากายมันฉุดใจขึ้นมามันต้องช่วยกันไม่ใช่ซ้นเติมพอกายแย่พอใจแย่ก็เลยนะ กายก็ไปซ้ำเติมใจให้มันแย่ขึ้นเช่นอาจจะไปเที่ยวให้มันหนักเที่ยวหรือก็ไปกินเหล้าหวังว่าจะทำให้หายลืมความทุกข์ทาให้ลืมความทุกข์ทำให้หายเศร้าหายโศกพรากว่าหนักเข้าไปใหญ่ใจก็แย่เพราะความหลงมันควอมนหนักขึ้นกายก็หนักก็แย่กว่าเดิม นี่เรียกว่าชุดกันฉุดกันลงไม่ได้ช่วยกันฉุดกันขึ้นมาทะนั้นคนเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากใครก็ได้เพียงแค่กายกับใจนี่มันช่วยกันนะใจช่วยกายเวลากายแย่หรือว่ากายช่วยใจเวลาใจแย่หรือว่าอยู่เคียงคู่กัน กายกับใจกตัวอยู่ในใจอยู่นั่นมีสติตื่นรู้ขึ้นมาอันตรายที่เกิดขึ้นกับกายก็น้อยลงอันตรายที่เกิดขึ้นกับใจก็น้อยล ง, ยงนี่มันนึกดูแลนี่จริงแล้วนี่มือซ้ายมือขวานี้มันมันเป็นอุปมาอุปไม้มที่ดีมากในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่ำมนุษย์เกกันแล้วก็ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ ได้ถึงที่สุดนี่นะแตถึงที่สุดนะั้นมันก็ต้องก็ต้องยอมถือให้ถึงค่งาจําเป็นนี่แม้จะรักกันแค่ไหนก็ต้องยอมเสียสละนะได้ได้ฟังได้อ่านเรื่องราวแล้วก็เรื่องราวนี้เขาก็ทําเป็นหนังนะมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นคนองหนุ่มคนองไม่ใช่วัยรุ่นเป็นหนุ่มคนองที่ชอบปะจนไผ่อันนี้ในอเมริกา แล้วก็เขาชอบไปในที่ที่มันเป็นธุรกันดานก็มีครั้งหนึ่งเขาไปแกรนแคนยอนเขาก็ชอบปีนชอบปายชอบเลื้อยไปตามซอกซอกซอกเขาที่มันแคบแคขา้าไปคนเดียวแล้วก็มีครั้นเขาก็ปีนเขาก็พยายามไต่ตัวไต่ตัวเองลงไปตามซอก่า บอกว่าหินที่เกาะไว้เนี่ยมันหลุดจากมือเขาก็ตกลงไปในซอกนั้นอที่ราก็นั้นคือว่าหินที่ที่ตกลงมาเนี่ยมันก็ไปไปหนีดไปหนีดแขนเอาไว้ไปหนีดแขนขว า, าไว้แล้วก็ติดตรงนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นซอกที่แคบแค่พอดีมือเขาเนี่ยก็ติดอยู่กับอยู่กับซอกผาโดยมีหินนั้นะทับไว้อีกที ทำยังไงอ่ะโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีก็ดึงเทาก็ดึงไม่ออกมือแขน ม, มันติดอยู่นั่นแหะหินก็หนักมากเขาอยู่อย่างทั่งผ่านไปยี่สิบสีชั่วโมงก็ยังทําอะไรไม่ได้เขาก็รู้แล้วว่าถ้าเลือดไปไม่ถึงถ้าเลือดไม่มันเลือดมันไปไม่ถึงมือเนี่ยมือก็จะก็จะเน่า ก็จะไตล์แล้วก็เริ่มเนา่าเขาจะทำยังไงเขามีเขาเพิ่อไม่มีมีดสวิสอาร์มี่มาซด้วยได้ แ, แต่มีดจากประเทศจีนมีที่แจกจากซื้อสินค้าจีนเขาบอกเขาก็พูดแต่ตลกว่าไอ้ของพวกนี้ไม่มีปรโยชน์เลยอย่าไปที่หลังอย่าไปพกพาเลยดันลืมเอามีดสวิสอาร์มีมาก็เลยเจาะหินไม่ได้ น้ำก็มีน้อยอาหารก็เหลือน้อยเขารู้แล้วว่าจะต้องตายติดค้างอยู่สี่วันเสร็จแล้วก็เริ่มมีภาพหลอนเริ่มเห็นคนตายด้วยไงไม่รู้เกิดฮุดซู่ขึ้นมาอันนี้พูดแบบย่อๆนะสุดท้ายก็ทำยังไงเาก็เอามีดบิดบินนั่นแหละ ตัดแขนตัดแขนขวาตัวเองเจาะเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะพยายามที่จะเลื่อยพยายามที่จ ะ, ะตัดแขนนั้นให้ขาดให้ได้เพราะเขรู้ว่าถ้าอยู่ที่นั่นต่อไปตายแน่แต่ว่าใจที่มันสู้นะใจที่เรียกว่าหรือสันชัดแจ้งกันอยู่รอกแต่หรื อ, รร อ, อรว่าใจที่สู้พยายามบังคับใจไม่ให้เป็นลมเวลาเห็นเลือดมันทะลักแล้วก็ต้องพยายามตัด เนื้อตัดเอ็นด้วยมีดบินๆ น, นะยาช้าไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเห็นเลือดต่อหน้า ต, ตาปวดก็แสนปวดแต่ก็ต้องทํานำะเพื่อความอยู่รอดสุดท้ายก็ตัดจนขาดได้นะมันน่าถ้าเร า, เราถ้าเราเป็นงั้นเนี่ยแค่ตัดนิ้วเราเองไม่ทําเลยที่มันตัดแขนจนขาด ตัดต้นแขนให้ต้นแขนตรงระหว่างศอกกับมือเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็รอดได้อันนี้ก็เรียกว่าต้องยอมสละกันนะนม่จะรักกันยังไงขวากับซ้ายรักกันยังไงนี้ก็ต้องสละเพื่ออะไรเพื่อส่วนรวมส่วนรวมคือร่างกายเพื่อชีวิตก็ตรงที่พระเจ้าตัดว่าเนี่ยพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอ ว, วะโยชน์พึงสละประยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ ให้มันถึงสึกสก็ต้องก็ต้องยอมนะแต่ไม่ใช่เพื่อเพื่อเบี้ยของใครแต่เพื่อเบี้ยของส่วนรวมอันนี้บางทีเราก็ต้องก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันนะเพื่อส่วนรวมก็ต้องยอมอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญานะเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ยอมนะความรู้สึกมันหวงแหนเจ็บปวด แต่ว่าปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่ามันไม่ทำก็ไม่ได้ก็ต้องยอมใช้ปัญญาเข้ามากํากับเพื่อที่ทำให้สามารถจะระงรับความเจ็บปวดหรือว่าความเสียดายอะไรได้แต่นี่ก็คือมนุษย์ชีวิตชีวิตมันก็เป็นเงี้ยนะมันต้องจรงต้องเลือกสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่อันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิต